ของวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ได้นำจดหมายมาให้พระเจริญจดหมายฉบับนั้นจะน่าถึงเจ้าคณะห้าวัดมหาธาตุแต่วงเล็บที่มุมทองด้านขวาว่ากรุณาส่งต่อพระเจริญทิตธรรมโมพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจด้วยว่าก่อนมาได้สั่งญาติโยมทางบ้านไว้แล้วว่าไม่ให้รบกวนเว้นสต มีเรื่องคอขาดบารตายจริงๆ จ, ง จ, งจึงค่อยส่งข่าวมาบอกท่านนึกไปถึงโยมยายเป็นลำดับแรกหรือว่าโยมยายเป็นอะไรไปรีบเปิดซองออกอ่านจึงได้รู้ว่าเป็นจดหมายจากโยมพ่อของเนนทองดีเขียนมาแจ้งข่าวเรื่องโยมแม่ป่วยหนักขอให้กลับบ้านโดยด่วนเนนทองดีเข้ามาเห็นจึงทักขึ้นว่า หนังสือจากโยมพ่อผมเขียนมาบอกว่าโยมแม่ป่วยใช่ไหมครับที่เมื่อคืนผมบอกลุงพี่ว่าจะได้รับวันนี้ถูกแล้วเขาให้เนนกลับบ้านด่วนและขอให้หลุงพี่พากลับด้วยไม่เป็นไรหรอกครับหลุงพี่อยู่ปฏิบัติเถอะไปส่งผมที่ท่าเรือก็อพอพูดอย่างเกรงใจไม่ได้หรอกหลุงพี่พาเนนมา ก็ต้องพาไปส่งไม่เช่นนั้นยมพ่อยมแม่ของเนนจะตำหนิเอาได้หลวงพ่อชอาคงไม่ว่าถ้าเรากลับเรียนท่านถึงความจําเป็นที่ต้องกลับมาหลวงพี่อย่าทำอย่างนั้นเลยครับจะเสียเวลาไปปรเหล่าเวลาวารีไม่คอยใครนะครับคอยเชื่อผมสักครั้งแล้วผมจะอธิบายให้ยมพ่อยมแม่เข้าใจจะไม่ให้ตำหนิลงพี่ได้ คนเป็นสิทธ์พูดถึงผลได้ผลเสียแต่ลุงพี่เป็นห่วงยมยายขอลุงพี่กลับไปเยี่ยมยมยายแล้วค่อยกลับมาจะได้ส่งเนนด้วยแล้วก็ได้เยี่ยมยมยายด้วยพระหนุ่มยังยืนยันที่จะกลับผมว่าทางที่ดีลุงพี่ไปขออนุญาตจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีกว่าหากท่านเอายาตก็ไปได้ เนนทองดีหาทางออกให้งั้นหลุงพี่จะไปเดี๋ยวนี้ท่านถือจดหมายเดินไปยังห้องพระอุดมวิชา ย, ยานกราบเป็นจังค่าประดิษฐ์สามครั้งและจึงเอื่อนเอ่ยกระผมจะมาขออนุญาตท่านจ้าคุณอาจารย์ไปส่งลูกศิษย์กลับบ้านครับโยมแม่เขาป่วยหนัก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 เรือจะออกจากท่าเตียนเวลาตีห้าตามใจแต่วันนี้เธอจะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่สวนเนนทองดีขอให้มาพบฉันที่ห้องตอนหัวคำ่ำฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะแนะนำเขาเพราะเขาจะไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเหมือนอย่างเธอท่านออกคำสั่งภิกษุไวยเป็นจจเพศ เดินกลับห้องด้วยใจเบิกบานแจ้งให้ลูกศิษย์ทราบแล้วจึงตั้งต้นปฏิบัติเริ่มด้วยการเดินจงกรมท่านมีเวลาปฏิบัติสมชั่วโมงหลังจากนั้นจึงจะไปรับการสอบอารมณ์ที่ห้องพระมหาหนูพระหนุ่มตั้งสัจจะว่าจะเดินและนั่งอย่างละชั่วโมงครึง่งท่านเริ่มเดินจงกรมระยะที่หนึ่งเดินไปได้สักยี่สินาที จิตก็เริ่มฟุ้งซ่านและแลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกโธเอ้ยมาตั้งเดือนแล้วยังอยู่แค่เดินระยะที่หนึ่งทำไมอาจารย์เขาถึงไม่ยอมเลื่อนขั้นให้เราสักทีนะเราอยากจะเดินระยะที่สองเหมือนคนอื่นเขาบ้างที่เน้นลูกศิษย์เรามาอยู่แค่สองวันพระได้เลื่อนขึ้นไปเดินระยะที่หกแล้วสงสัยอาจารย์จะลําเอียง ท่านเริ่มส่งจิตออกนอกอารมณ์กรรมฐานแล้วเมื่อไหรถึงจะได้ญาณ16อย่างเนียนบ้างละ่ะเนีนนิก็พิลึกนักธรรมตรียังไม่ได้แต่ทำไมถึงได้ญาณ16ก่อนเราก็ไม่รู้เราตั้งใจจะเอามารับใช้แท้ๆผ่าได้ดีกว่าเราอีกอาจารย์นึกข่อนขอดลูกศิษย์รันรู้ตัวว่าคิดฟุ้งซ่านจึงกำหนดคิดหนอคิดหนอ แล้วตั้งต้นเดินใหม่ยังตั้งอกตั้งใจเดินไปได้อีก25นาทีจิตก็แลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกอีกหรือว่าเราจะรู้มากเกินไปถ้าเราไม่ได้นักทําโทรมาก่อนอาจจะสำเร็จพร้อมเนนก็ได้พระหนุ่งคิดด้วยจิตเริ่มจะว้าวุ่นท่านจะคุณอาจารย์บอกว่าเราต้องกลับมาอีกโซนเนน ไม่ตรงกลับก็สแสดงว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวน่ะสิดีเหมือนกันถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะได้วิเวกสำเร็จเร็วก็ได้ครั้นรู้ตัวก็รีบ ก, กำหนดคิดหนอคิดหนออีกพอเดินไปได้สักพักก็ฟุ้งซ่านอีกสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งเวลาผ่านไปชั่วโมงครึง่งจึงกำหนดนั่งแล้วเปลี่ยนมากำหนดที่พองและยุค อ น, นิสง์ข้อหนึ่งในห้าข้อของการเดินจงกรมคือสมาธิย่อมตั้งอยู่ได้นานครั้นเปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งสมาธิจากการนั่งจึงตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับการเดินดังนั้นการกำหนดพองยุบจึงเป็นไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะจิตซัดสายออกไปหาอารมณ์ภายนอกเกือบตลอดเวลา ภิกษุไวเบนจจเพศถูกนิวร์เข้าครอบงำโดยเฉพาะเจ้านิวร์ที่ชื่อถีนามิทะทำให้นั่งหลับสั ป, ประกอยู่ตรงนั้นคงจะหลับไปนานจนเลยเวลาเพราะเนนเข้ามาบอกว่าหลวงพี่ครับอาจารย์หนูให้ผมมาถามว่าทำไมไม่ป ร, รับการสอบอารมณ์พระหนุ่มตกใจลืมตาขึ้นถามว่า ห้าโมงแล้วรอครับห้าโมงสิบนาทีแล้วอาจารย์ท่านรออ ย, อยู่ตายจริงลุงพี่นั่งหลับรหรือนี่ขอบใจที่ปลุกลุงพี่จะไปที่คณะสลักเดี๋ยวนี้ท่านลุกขึ้นอย่างกระปี้กระเปร่าด้วยว่าได้ ง, งีบค่อนข้างนานระหว่างที่นั่งขณะเดินผ่านคณะต่า ง, างเพื่อไปคณะสลักก็ได้ยินเสียงสอบอารมณ์ ดังมาจากห้องที่เดินผ่านจึงหยุดเดินเกิดความคิดขึ้นว่าเรามัวนั่งหลับไม่มีอารมณ์ที่จะไปส่งอาจารย์หนูสงสัยถูกดุแน่อยากระนั้นเลยเราแอบฟังคนอื่นก็ได้ว่าเขาสอบอารมณ์กันยังไงตอบอย่างไรถึงจะผ่านยานคิดดังนั้นจึงค่อยคอยย่องเข้าไปใกล้เพื่อให้ฟังได้ถนัดผู้สอบอารมณ์คืออาจารย์แพง ียงท่านถามลูกศิษย์ว่าขวายางกับซ้ายยางเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับลูกศิษย์ตอบอาจารย์ถามอีกหลายข้อและลูกศิษย์ก็ตอบอย่างคล่องแคล่วพระเจริญจำได้หมดว่าคำถามคำตอบเป็นอย่างไรได้การล่ะคราวนี้เราจะตอบให้เจวไปเลย อาจารย์จะต้องเลื่อนขั้นให้เราแน่รีบสาวเท้าเดินจนถึงคณะสลักมหาหนูรอยอยู่ค่อนข้างนานจึงต่อว่าทันทีที่ลูกศิษย์มาถึงมัวทาอะไรอยู่ถึงได้มาช้าผมนั่งเกินเวลาไปหน่อยนึงครับต้องขอประทานโทษด้วยพระเจริญตอบหลังจากการกราบเป็นจงังฆาประดิษฐ์สามครั้งแล้วแสดงว่า ยังกำหนดจิตไม่ได้คนที่เขานั่งจานานแล้วเขาจะกำหนดรู้ว่าเวลาเท่าไรเพราะก่อนนั่งจะต้องอธิษฐานจิตซะก่อนว่าจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีพอถึงเวลาที่กำหนดไว้จิตจะรู้เองนี่แสดงว่าเธอไม่ได้กำหนดจิตก่อนจะนั่งใช่ไหมใช่ครับลูกศิษย์ยอมรับหิดทีหลังต้องมาฝึกใหม่นะอะไร มาอยู่ตั้งเดือนแล้วยังไม่ก้าวหน้าผมไม่มีกำลังใจนี่ครับท่านน่าจะเลื่อนขั้นให้ผมบ้างผมอายเนยนทองดีแล้วนะครับเขาเป็นลูกศิษย์อย่างไดยานสิบหก่อนผมองอายอะไรกันเขาเป็นเด็กยังไม่มีอะไรต้องกังวลจิตก็สงบได้เร็วเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดเธอย่าไปคิดว่าจะอายเนนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอายกัน แต่คราวนี้ท่านเห็นจะต้องเลื่อนขั้นให้ผมแล้วล่ะครับเพราะคราวนี้ผมเตรียมมาดีคนเป็นสิ์พูดอย่างมั่นใจเตรียมยังไงลองบอกมาสิมีการเตรียมด้วยหรือมหาหนูสงสัยเพราะสภาวะจิตย่อมเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีการระเตรียมก็ผมแอบไปได้ยินเออ คือผมรู้สึกว่าวันนี้จะตอบได้ดีกว่าทุกวันนะครับโชคยังดีที่มหาหนูไม่ทันได้ฟังประโยคแรกงั้นก็เริ่มกันเลยจะได้มีเสียเวลาและท่านจึงเริ่มตั้งคำถามเพื่อจะทดสอบว่าพระเจริญผ่านยานที่หนึ่งแล้วหรือยัง้องนกกับยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอันครับ ตอบอย่างคล่องแคล่วกว่าทุกครั้งและรู้ว่าที่ท่านไม่ได้เลื่อนขั้นเพราะไปตอบว่าเป็นอันเดียวกันต่อไปนี้จะต้องตอบว่าเป็นคนละอันกันทุกครั้งดังนั้นไม่ว่ามหาหนูจะถามอะไรพระเจริญก็ตอบอย่างนี้ทุกครั้งบางทีถามยังไม่ทันจบท่านก็ตอบออกมาแล้วคนเป็นอาจารย์เห็นผิดสังเกต รู้ได้ทันทีว่าลูกศิษย์เล่นไม่ซือ่อก็โกรธจรึงต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอแล้วถามด้วยสิ่งดุดว่านี่แกไปจำเขามาตอบใช่ไหมไปจำคนอื่นมาใช่ไหมท่านเปลี่ยนจากเธอเป็นแกใช่ครับผมไปจำห้องโน้นมาคนเป็นศิษย์สารภาพ พร้อมชี้มือไปทั้งห้องที่เดินผ่านทีหลังอย่าทําอย่างนี้นะมันอันตรายมากรู้ไหมอันตรายยังไงครับลูกสิดถามเพราะไม่เข้าใจจริงๆริก็แกจะไม่ได้ของจริงนะสิมันจะไม่เป็นวิปัสนาแต่จะกลายเป็นวิปัสสนึกไปคือนึกคิดเอาตามใจชอบทีหลังอย่าได้ทําเช่นนี้อีกท่านย้ํา ตกลงท่านจะไม่เลื่อนขั้นให้เป็นกำลังใจผมหรือพระหน่มถามด้วยหัวใจที่หดหูห่อเหี่ยวอย่าว่าแต่เลื่อนขั้นเลยข้าอยากจะลดขั้นแก่ด้วยซ้ําแต่ที่ไม่ทําเพราะจนใจจนใจที่แกไม่มีขั้นจะให้ข้าลดถ้อยคำของมหาหนูช่างบาดจิตบาดใจพระหนุ่มยิ่งนักจึงแอบทิ้งในใจว่าเถอะ ไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนพรุ่งนี้ผมก็กลับวัดแล้วและจะไม่มาให้ท่านเห็นหน้าอีกคืนนั้นหลังจากการอบรมแนะนำเรื่องการปฏิบัติให้เนรทองดีแล้วเจ้าคุณอาจารย์จึงอนุญาตให้เนรกลับห้องพักและสั่งให้บอกพระเจริญมาพบภิกษุหนุ่ม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 แต่ที่บอกว่าอย่าเย็นใจก็หมายความว่าต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทำความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยอกหยอกแย่แ ย, แย่อย่างที่เธอทำอยู่ทีนี้เข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วครับพระเจริญตอบอาศัยที่ท่านเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีจึงเข้าใจอะไรอะไรได้รวดเร็วเข้าใจก็ดีแล้วฉันขอย้าว่า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 ภิกษุหนุ่มสงสัยเพราะท่านยังไม่ได้แพ่งพลายเรื่องนี้แก่ใครแม้แต่เนนทองดีรู้ด้จย ก, การปฏิบัตินะสิอย่าลืมนะสติปัญฐาสีสำคัญมากทำให้ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตหากเธอตั้งใจปฏิบัติต่อไปไม่นานเธอก็จะรู้เหมือนอย่างที่ฉันรู้ ฟังพระอุดมวิชยามพูดพระเจริญค่อยมีกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อท่านหายโกรธมหาหนูและเห็นด้วยกับเจ้าคุณอาจารย์ว่าภิกษุรูปนั้นหวังดีต่อท่านอย่างจริงใจเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ค่อยมีจิตแช่มชื่นขึ้นเจ้าคุณอาจารย์จึงอธิบายต่อไปว่าในมัตชิมนิกายมูลปันนาฏพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง ข้อ131มหน้า303มีพุทธวจนะที่แสดงให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐานสี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและบริเทวะเพื่อความอัศดงแห่งทุกข์ และโทมนันต์เพื่อบรุโลกุตระมักเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสี่เห็นหรื อ, อยังละว่าสติปัฏฐานสี่นั้นมีความสําคัญเพียงใดกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นทางเดียวที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความหลุดพน้น ในครั้งพุทธกาลพระสาวกสาวิกาทั้งหลายได้บรรลุอรหัตตมักอรหัตตผลก็โดยหนทางเส้นนี้เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้เป็นสากยบุตรที่จะต้องดำเนินตามรอยบาทของเสด็จพ่อเมื่อได้ตกลงใจมาบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติ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 ท่านจึงจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติและตั้งเป็นกฎว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะเป็นอุ ป, ปัชชาต้องรู้เรื่องการปฏิบัติและสามารถนำไปสอนลูกศิษย์ได้ไม่ใช่สักแต่บวชให้เหมือนที่เคยทำทำกันมาที่ฉันพูดมานี้เธอพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ และผมก็เห็นด้วยว่าผู้เป็นอุปชาจะต้องสอนเรื่องการปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ได้ตามวัดมั่นนอกอุปชาส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องการปฏิบัติเลยครับวันบวชก็ให้กรรมฐานลูกศิษย์เกษาโลมานัขาทันตาตัโจตัดโจทันตานัขาโลมาเกษาแล้วก็ไม่เคยสอนต่ออีก เป็นอย่างนี้แทบทุกวัดพระหนุ่มพูดจากประสบการณ์ของตนอย่าวอดแต่วัดบันนอกเลยถึงวัดในเมืองหรือแม้แต่ในบางกอกก็เป็นอย่างนี้พระบางรูปเก่งปริยัติจบถึงประโยคเก้าแต่ไม่เคยปฏิบัติเข้าไม่ถึงไตรสิกขาจึงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของศีลสมาธิปัญญา ไม่รู้ว่าการเจริญสติปัฏฐานเขาทำกันอย่างไรรู้แต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติก็ไม่รู้ครั้นพอศึกออกไปจึงมักเอาดีไม่ได้มีนะบางคนศึกเช้าเมาเย็นเมาก็มีเธอเคยเห็นไหมละ่ะเคยเห็นบ่อยๆครับตอนผมเป็นเด็กคนข้างบ้านผมตอนวันบวช ก็ฉลองกันด้วยการดื่มเหล้าพอศึกออกมาก็ดื่มเหล้าฉลองกันอีกศึกเช้าเมาเย็นอย่างที่ท่านจ้คุณอาจารย์ว่าพอเมาก็เกิดทะเลาะกันแล้วทิดศึกใหม่ก็ถูกแทงตายเรียกว่าศึกเช้าเมาเย็นตายกลางคืนพ่อแม่ก็ได้แต่เสียใจผมว่าเหล้านี่อันตรายมากนะครับคนฆ่ากันตายก็เพราะเหล้าผมเอง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 ลูกนอกคอกและหลานนอกคอกในวันข้างหน้าเมื่อเธอไปเป็นอุปชาฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยพยายามแก้ความเชื่อถือผิดๆที่พวกชาวบ้านเขาประพฤติปฏิบัติกันเป็นต้นว่าดื่มสุราในงานบวชงานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระถินผ้าป่าเพราะการทำเช่นนั้น ไม่ได้บุญอะไรเลยเป็นบาปอีกด้วยคงยากครับท่านเจา้าคุณอาจารย์เพราะเขาปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีแล้วบางวัดพอรู้ว่าจะมีคนมาทอดกรถินทอดผ้าป่าสมภารจัดการต้มเหล้าไว้ต้อนรับก็ยังมีเรียกว่าสมภารลงมือเองเลยครับท่านต้องอดใจญาติโยมเขาจะได้มาทำบุญกันบ่อยๆพระหนุ่มเล่า มีอย่างนั้นด้วยหรือพระอุดมวิชยาณรู้สึกสลดใจมีหลายวัดเชียวละครับแล้วผมก็คิดว่าไม่มีใครไปแก้ท่านได้ผมหมายถึงสมภารเหล่านั้นโบราณท่านสอนไว้ว่าทิฐิพระมานะครูสมภารบางวัดท่านเป็นพระครูจึงมีทั้งทิฐิและมานะแล้วใครจะไปกล้าสอนท่านล่ะครับถ้าเช่นนั้น ก็ต้องรอให้ท่านเข้าเมนไปแล้วค่อยสอนคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันนะหน้าที่ของนักบวชนอกจากจะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคาสอนแล้วยังต้องปกป้องพระาศาสนาอีกด้วยคืนปล่อยให้เละเทะกันอย่างนี้พระาศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉันมั่นใจว่าเธอจะเป็นผู้ที่ทำให้พระาศาสนา วัฒนาสถาวรสืบไปขอฝากด้วยครับผมขอตั้งปณิธานว่าจะสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาพระศาสนาภิกษุวัยเ็นจะเพืรับคำหนักแน่น